บทที่สองวิธีวิพากษ์วิจาร์โดยไม่ทำให้ผู้ใดเกลียดตอนเที่ยงวันหนึ่งชานชวอบเดินผ่านโรงถลุงเหล็กโรงหนึ่งของเขาได้มองเห็นคนงานหมู่หนึ่งกำลังสูบบุหรี่กันเหนือหัวของคนเหล่านั้นมีป้ายแขวนไว้ว่าห้ามสูบบุหรี่ท่านคิดว่าชวอบชี้ที่ป้ายนั้นและพูดอ่านหนังสือเป็นไหมหรือเปล่ามิได้ชวบไม่ได้เป็นคนชนิดนั้นเขาเดินไปหาคนเหล่านั้น ควักซิ ก, ก้าส่งให้คนละมวลและพูดจะดีไม่น้อยถ้าพวกคุณพากันไปสูบซิ ก, ก้านี้กันข้างนอกคนงานเหล่านั้นตระหนักดีว่าชวอปรู้ว่าเขาได้พากันฝ่าฝืนกฎเขาต่างพากันนึกชมเชยชวอปไปตามๆกันในฐานะชวอปมิได้พูดถึงความผิดอันนี้เลยมีหนำซ้ำกลับกำนันซิ ก, ก้าแก่เขาทั้งนี้ทําให้เขาเกิดความรู้สึกเป็นคนสําคัญถ้าท่านมีนายอย่างนี้ท่านจะอดรักเขาได้ไหม ยอนวานาเมเกอร์ใช้เทคนิคอย่างเดียวกันวานาเมเกอร์ชอบตรวจท่างขายสินค้าขนาดใหญ่ของเขาในเมืองฟิลาเดลเฟียประจำทุกวันมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาพบลูกค้าหญิงคนหนึ่งยืนคอยอยู่ที่เคาน์เตอร์ตอนหนึ่งไม่มีเจ้าหน้าที่คนใดในห้างเอาใจใส่ต่อผู้หญิงผู้นี้แม้แต่น้อยคนขายของคนขายของหรือเขาเหล่านั้นต่างจับกลุ่มกันทางตอนสุดของเคาน์เตอร์พลางคุยและหัวเราะ ก, กันอย่างสนุก ว่านาเมเกอร์ไม่ได้พูดเลยสักคำเดียวเขาค่อยๆเดินเข้าไปข้างในเคาน์เตอร์รับใช้หญิงผู้นั้นด้วยตนเองแล้วเอาของที่ลูกค้าผู้นี้ตกลงซื้อส่งให้คนขายจัดการห่อในขณะเขาเดินจากไปเมื่อแปดมีนาคมคศกรา1887นักเทศและนักแสดงปาฐกถาอันจับใจผู้นำดังกระฉ่อนทั่วโลกชื่อเฮนรีวอบีเชอร์ตายซึ่งการล่วงลับของท่านผู้นี้ชาวญี่ปุ่นพูดว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงโลกวันอาทิตย์รุ่งขึ้นไลมันแอปบัตได้ถูกเชิญให้เป็นผู้กล่าวสุนทรพจน์ที่ทำมาศในโบทเกี่ยวกับกรณียกิจของบีเชอร์แต่หนหลังเพื่อประสงค์ให้สุนทรพจน์ของเขาเพาะพริงอย่างสูงสุดไลมันแอปบัตเขียนแล้วเขียนอีกและพิธีพิถันดุจเดียวกับการเขียนหนังสือของโฟแบรครั้นแล้วเขาอ่านให้เมียของเขาฟัง เป็นสุนทรพจน์ที่กร่อยเช่นเดียวกับสุนทรพจน์ที่เขียนขึ้นอย่างไม่ได้สติทั้งหลายถ้าเมียของเขาเป็นคนขาดไหวพริบหล่อนอาจจะพูดไลมันคะสุนทรพจน์นี้เต็มทีมากใช้ไม่ได้หรอกคุณจะทำให้ผู้ฟังหลับไปตามๆกันบรรยายเหมือนกับทานุ ก, กรมเอนไซโคปีเดียคุณน่าจะรู้ดีว่าควรเขียนอย่างไรจึงจะไพเราะเพราะคุณก็เป็นนักเทศมาแล้วตั้งหลายปีพิโถเอ้ย ทำไมคุณจึงไม่ใช้สำนวนอย่างมนุษย์เขาพูดกันทำไมคุณจึงไม่ใช้ภาษาให้เป็นตามธรรมชาติคุณจะต้องขายหน้าถ้าเอามันไปอ่านนี่เป็นเพียงแต่วาจาซึ่งหลอนอาจจะพูดเท่านั้นและถ้าหลอนพูดท่านคงจะรู้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหลอนก็รู้ดีเช่นเดียวกันด้วยเหตุนี้เองหลอนจึงเพียงแต่กล่าวว่าถ้าส่งไปให้นิตยสารนอตอเมริกันรีวิ จะเป็นข้อเขียนที่ดีชิ้นหนึ่งคำพูดของหล่อนเป็นการยกย่องชมเชยแต่แฝงอยู่ด้วยการแนะนําว่าถ้าใช้เป็นสุนทรพจน์จะไม่เหมาะสมไลมันแอปบัตมองเห็นแง่ความคิดของหล่อนเขาจึงฉีกต้นฉบับซึ่งเขียนขึ้นอย่างวิจิตบรรจงนั้นเสียและกล่าวสุนทรพจน์โดยไม่ได้ใช้น ốt อย่างใดเลยการเปลี่ยนแปลงผู้อื่นโดยไม่ให้มีความรู้สึกบาดหมางหรือก่อให้เกิดความรู้สึกขุนเคืองกฎที่สองมีดังนี้ จงอย่าเตือนผู้อื่นอย่างตรงไปตรงมาว่าเขาผิด